ทำบุญตักบาทตามประเพณีและจากนั้นก็ได้สมาทานศีลแต่ตอนเย็นวันนี้ขณะนี้พวกเราก็ได้ว่า้พระทําวัดเย็นพร้อมกันต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อก็จะได้กล่าวสมโภมชนิยกคาถาเพื่อจะให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาในแง่มุมเรื่องที่ควรจะให้ได้รู้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 8หมื่นี่พันพระธรรมมันถ้าเป็นพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ก็ทั้งส5สบห้าเล่มเป็นเล่มใหญ่มากแต่ถ้าว่าเป็นของมหมามกุฏพิมพ์ออกมาก่อนตั้ง90สกว่าเล่มถ้าเป็นของสหธรรมพักดีก็ร้อยกว่าเล่มเพราะนั้นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรา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 คำสอนของเราตถาคตที่ประกาศบอกกล่าวไปนี้ไม่มากที่ความรู้ของเราที่ได้ตัดจรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาตคือความรู้ของโพธิญาตคือความรู้ของพระพุทธเจ้ามีมากแต่ตัดจรู้แต่ที่เรานำ ร, รมคำสอนมาบอกกล่าวมาแนะนาพุทธบริษัทสี่นี ถ้าจะเปรียบเทียบกับใบไม้ก็เหมือนใบไม้อยู่ในการร ม, มือเพียงกรรมเดียวแต่ใบไม้อยู่ในจักรวาลมีมากนี้ก็เหมือนกันทำคำสอนของเราที่จะนำมาบอกกล่าวให้แกพุทธบริษัทสี่นั้นเพียงใบไม้อยู่ในกำรร ม, มือเท่านั้นแต่ที่เรารู้วิชาต่างๆวิชาทางโลกมากมาย ที่วิชาเขาเรียนรู้เรารู้ทั้งหมดแต่เมื่อเราวิเคราะห์หรือเราตรวจตราดูแล้วเป็นวิชาทําให้จิตใจของเราติดอยู่ในโลกวัฏสงสารไม่ไปเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกระหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสมีแต่เรียนไปเท่าไหร่ศึกษาไปเท่าไหร่ก็ยิ่งติดแน่นด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะ โลภโกรดหลงไม่มีทางที่จะขยับหรือว่าถอยออกมาเรียนเท่าไรศึกษาเท่าไรรู้เท่าไรก็มีแต่เครื่องที่จะมัดจิตใจของเราเข้าสู่กิเลสมีแต่ทำให้ติดอยู่ในโลกวัตะสงสารไม่มีวันที่จะถอยออกมาได้แต่ทำคําสอนของเราตถาคต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 อานในสงของการทำทานผู้มีทานดีแล้วจะเกิดในภพภูมิใดก็จะมีความเจริญพาสุขไม่อั ต, ตคัดไม่ขัดสนด้วยปัจจัยสี่เพราะอั น, นสงส์ในการทำบุญทำทานอานในสงศีลกระทำให้พวกเราเกิดมาในภพภูมิใดก็ไม่มีใครเบียดเบียนไม่มีใครรังแกเรา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 เพรนั่นเรื่องศีลก็ดีเรื่องทานก็ดีเรื่องศีลก็ดีใกล้ๆว่าเป็นเสบียงเดินทางที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานในเมื่อเรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางพวกเราเขอพยายามให้เป็นผู้มีทานเป็นผู้มีศีลจากนั้นก็ภาวนาชําระจิตใจไปเรื่อยๆเพราะว่าเราจะต้องใช้เวลาเกิด ในวัฏสงสารเพื่อสังสมบารมีอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราก่อนที่ท่านจะได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันดับแรกท่านก่อนนึกคิดในใจซะก่อนเห็นพระพุทธเจ้าฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาประธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหน้าอัจจจันร์เพราะว่ามองในมุมไหน ก็เกิดความเคารพนับถือเรื่อมใส่็ในใจโอถ้าาว่าขอให้ข้าพเจ้าถึงจะยาวนานขนาดไหนก็เถิดขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตด้วยเถิดอันนี้คือความคิดในใจคือปรารถนาในใจแต่ยังไม่พูดเพราะอายคนที่จะต้องพูดคิดในใจไปก่อนไอ้ความคิดในใจจุดนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกัน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 ถึงยังไงขอให้กับผมได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตอย่างที่พระพุทธเจา้าที่เราได้ศึกษาตั้งแต่กะกุสันโธโกนะัคโมโนกัโโตโฉโพโธตโมแล้วก็องค์ต่อไปก็คือพระอริยะเมตโยพระสีอ่านอันนี้เราพูดพูดด้วยความไม่สะทกไม่สะทานอันนี้เมื่อพูดแล้วไม่ใช่จะได้อีกต่างหากนานอีกเหมือนกันบาเพ็ญอยู่นั้น เป็นโลกกี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านชาติเกิดปนเวียนเวียนไหวตายเกิดอยู่ในวัตตะสงสารนี้แต่เกิดขึ้นมาพบไราชาติใดในใจของเราก็ขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตอันนี้ก็เป็นความปรารถนาอยากนั้นเมื่อความปรารถนาแก่กล้าขึ้นเลยบำเพ็ญให้ทานรักษาศีลไหรพระสวดมนต์ปฏิบัติพ่อแม่ให้ทาคุณงามความดีอะไรก็ตาม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 คนทั้งหลายก็ช่วยกันทําทีนี้ท่านลือีที่เหาะที่เป็นสุมเมธาดาบทเนี่ยเป็นลือีเหาะมาจากทางอากาศมาก็มาเห็นพี่น้องประชาชนเขาทําแบบไม่คุยกันแล้วทำแบบขมักเม่นผิดปกติลือศรีนี่ก็ลงมาจากอากาศก็มาถามเขาเอ๊ยพวกท่านทั้งหลายทําอะไรกันนะพวกเขาก็ตอบว่า พวกเราทําถนนเพราะพระพุทธเจ้าทีปังกรกับพระสงฆ์อยู่อีกฝากหนึ่งแล้วพวกเราอยากจะทําถนนเพื่อให้พระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์บินธบาตในเมืองทางรัดถ้าไปทางอื่นมันโค้งกว่าจะเข้าไปได้เพราะนั้นพระพุทธองค์เสร็จประทับอยู่เนี่ยเราก็ทําถนนตรงมานี่เลยเอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นผมขอทําด้วยคนได้ไหม ฤอษีเกิดจตนาขึ้นมาพ่อรู้ว่าพระพุทธเจา้าประชากรประชาชนาว่าได้เอาเลยเอาคนละช่วงกันเขาก็คิดว่าฤอษีเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชคงจะบันรงบันดาลให้ทำถนนขึ้นมาแบบเร่งด่วนเรื่องว่าด้วยฤทธิ์ของฤอษีแต่ฤฤษีจะบันดาลด้วยฤทธิ์ก็ได้แต่ว่าเมื่อทำไปแล้วเนี่ย มันไม่เหมือนกับแรงออกเรียวออกแรงตัวเองคือสีกับพอเขาอนุญาตให้ทำได้ด้วยกันนะหรือสีกับถลกหนังเสือออกจากตัวเองไปกองไว้ปดสดาลงไปกองไว้จากนั้นก็ถลกจงกระเบนขึ้นมาลุยเลยทีนี้ทางจอบทางเสียมขนอย่างอุตลุดเหมือนกับชาวบ้าน ยิ่งกว่าชาวบ้านอีกเพราะลือีมีกำลังใจ ấy, ที่จะทำทำด้วยศรัทธาทำอย่างไม่มองหน้าใครอีกเหมือนกันแต่นี้ของคนอื่นเขาก็ทำเสร็จเท่าเพราะว่าเขาอยู่ในที่ดอนมันก็ททำง่ายกว่าเพราะว่าเขาเอาตรงที่แฉะให้ซื้อลืีเขาคิดว่าลือีจะใช้อิเทลิศทำลือศรีไม่ใช้อิเทลิเนี่ยลือีก็ใช้จอบใช้เสียม เหมือนกับชาวบ้านเขาผลได้สุดพระพุทธเจ้าที่ปังกรกับพระสงฆ์เสด็จมามาพอดีแต่ของฤาษีไม่เสร็จยังหางอยู่ชั่วชั่วคนหนึ่งอยังไม่เสร็จพระพุทธเจ้าเดินมาพอเดินมาฤาษีก็ตัวเองไม่เสร็จนอนเลยเอนอนคว่ำหน้าให้พระพุทธเจ้าใต่ลังตัวเองเลยเหยียบหลังตัวเองไปเลย เพื่อให้พระสงฆ์เดินผ่านไม่ต้องเปียกเท้าเปียกให้เดินผ่านไปได้แต้พระพระพุทธองค์เดินมาเห็นลือีนอนให้พระพุทธนอนทอดเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์เดินผ่านพระพุทธเจ้ามายืนที่ลือีหันศีสะมาเนะ่พระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลาย ลือสีคนเนี้ชื่อสุเมธาดาบทต่อไปภายภาคหน้าจากนี้ไปเขาจะได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตชื่อว่าพระโคตมะพระโครรมพุทธเจ้าในอนาคตพระบิดาชื่อพระเจ้าจุธโทธนะพระมารดาชื่อสิริหมาไมายาอักรมเหสีชื่อพิมพายโสทลาบุตร ชื่อพลาหุน่นมีพุทธอุปถาคือชื่ออานน์อัครสาวกขวาพระสารีบุตรอัครสาวกซ้ายพระโมกคลาพระพุทธองค์ทำนายไว้หมดพระสาวกที่สำคัญจะว่านี่แหละต่อไปภายภาคหน้าสุเมทะาบทนี่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งแต่ชั้นปัญญาทิกะอายุของเขาไม่ยืนไม่มากบารมีของเขาไม่มาก พระพุทธเจ้าพระสุมเมธาดาบทนี้พระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้รับทราบจากนั้นพระองค์พระพุทธเจ้าได้เดินเหยียบผ่านหรื อ, อยังไงท่านก็ไม่ได้บอกแต่ท่านได้รับพยากรนี่แหละคําว่ารับพยากรคํานี้แหละอันนั้นแหละแน่นอนเลยทะ่านไม่เป็นอย่างอื่นถ้าได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแล้วอันนั้นแน่นอนคําว่า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 ท่านคงขึ้นอยู่ชั้นพรมออกจากชั้นพรมลงมาก็มาเกิดคล้ายๆกับว่าพร้อมที่จะไปเกิดในที่ทุกสถานทุกทุจนจนทั้งร่ำรวยทั้งทุกยากลำบากตกนรกแต่ในพระไตรปิฎกท่านก็ บ, บอกว่าผู้ที่ปราถนาเป็นพระพุทธเจ้าไปสู่สวรรค์ก็อยู่ไม่ได้นานเพราะจะต้องกลับมาลงมาสร้างบา ร, รมีในเมืองมนุษย์ ให้เขาว่าไปสู่สวรรค์ น, นั้นไปเสวยเหมือนพวกเราไปเที่ยวเมืองนอกอย่างนั้นหละไม่ใช่ไม่ได้ทำมาค้าขายไปเที่ยวเมืองนอกก็ไปเสวยเสวยผลงานที่ตัวเองได้ได้หาเงินไว้ไปใช้จ่ายเงินไม่ใช่ไปทำงานแต่ว่ามาอยู่เมืองไทยแล้วกับมาอยู่บ้านตัวเองคือการทำงานเพื่อหาทุนอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อไปสู่สวรรค์ ชั้นพรมให้ว่าไปทาไปสวยผลแห่งการบาเพ็ญของตนบุญกุศลส่งไปแล้วก็ไปเกิดแต่พระโพธิสัตว์นจะอยู่ไม่ได้นานเพราะว่าเสียเวลาในการไปอยู่ชวันสั้นกลับมาสร้างบา ร, รมีในเมืองมนุษย์แต่ถ้าว่าพระโพธิสัตว์ทำกรรมชั่วพอทากรรมชั่วเนีพอพอ่ยพระโพธิสัตว์ก็ต้องตกนรก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 สัตว์ทีชานที่มีกระดูกแต่ไม่น้อยไม่เล็กกว่านกกระเจาะ อ, อันว่างั้นนะเนีอันนี้คือพระโพธิสัตว์มาเกิดไม่เล็กกว่านกกระเจาะแต่ไม่ไม่เป็นสัตว์ที่มีไม่มีกระดูกอย่างพวกเปล่งไส้เดือนตัวบุ้งเ่ยพระโพธิสัตว์จะไม่มาเกิดชัตติธรรมถึงอย่างนั้นอันนี้ก็ท่านพูดในพระไตรปิฎกอันนี้ก็คือพุทธานุภา พ, พร่ว่าการบําเพ็ญ ของพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ไม่ใช่ว่าเป็นมาได้ง่ายๆไม่ใช่ว่าเป็นได้ปุบปรับอย่างพวกเราท่านทั้งหลายสาวกสาวกะเป็นผู้สดับอย่างเกิดมาพบนิชาตินี้พวกเราได้พบพระพุทธศาสนาแต่พวกเราเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ตั้งความปรารถนาในใจเออขอให้เข้าไปเจ้าพ้นทุกในวัตะสงสารเถอะให้ถึงนิพพานโดยเร็ว เรื่องลาบเรื่องยศเรื่องสนเสริญเยนยอ น, นั้นข้าพเจ้าไม่ต่องการทั้งนั้นเกิดมาพบไรชาติใดที่จะเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ถึงจะมียศถามบรรดาศักดิ์ล่ํารวยเศรษฐีมหาเศรษฐีไปเจ้าจากักรพรรดิระดับไหนก็เถอะโผนที่สุดก็เกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดหน้าเบื่อเหลือเกินพอถึงจะข่าวจะตายทั้งนั้นบรรทุกเหลือเกินเพราะนั้นขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกข์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 ภิกษุทั้งหลายคนทั้งหลายในยุคสมัยนั้นแต่บางคนก็ขอให้อย่างพระโมกคลาเนี่ยขอให้ข้าไปเจ้าเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชเหาะเหินเดินฟ้าดั่มีอิทธิฤทธิ์ในศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ข้าไปเจ้าได้เกิดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าข้างซ้ายด้วยเทินนีอันนี้คือความปรารถนาไม่เหมือนกันสรุปแล้วก็คือนานาจิตตังนานาทัศนะ น า, นานาความคิดน า, นานาความปรารถนาเพราะนั้นพวกเราปรารถนาอะไรเนี่ยแต่หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อว่าเออถึงยังไงยังไงจะทำยังไงจึงจะให้ถึงมรรคผลนิพพานเร็วที่สดุดอย่าได้มาเวียนไหวตายเกิดเอออย่างที่หลวงพ่อให้สมาทานศีลรักษาศีลอุโบสถขอให้ข้าพเจ้าถึงนิพพานในปัจจุบันในชาติ นี้ด้วยเถินนะเพราะให้นั้นให้ถึงเร็วเนี่ยถ้าถึงยืดเยอะก็มีแต่ความทุกข์เรามองเห็นว่านีเราเกิดแก่เจ็บตายมีแต่เรื่องทุกข์ทางนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆุกท่านที่เรามองดูสิอย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อเช้าหลวงพ่อบอกว่าภาชนะร่างกายเหมือนภาชนะดินพร้อมที่จะแตกได้ทุกเวลาเหมือนกับองค์ดิน หรือจานดินเรืออะไรก็ตามที่ปั้นด้วยดินพร้อมที่จะแตกถ้าถูกน้ำมากๆมันก็ชื้นเข้ามาก็พร้อมที่จะแตกเพราะนั้นร่างกายของเราก็พร้อมที่จะแตกเหมือนกันกับพาชนะดินเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราสัทธาญาติโยมพระเนนของเราทุกๆองค์อย่าตั้งอยู่ในความประมาท จะทำยังไงจึงจะพ้นทุกในวัฏสงสารเร็วที่สุดแก่กล้าที่สุดหลุดพ้นในเร็วที่สุดจะทํำยังไงแต่พระในครั้งพุทธการท่านก็ถามกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์บอกว่าถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงเอาจริงๆจังจั ง, จ ง, จงให้จิตอยู่ในสติปัฏฐานสี่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 เป็นสุขเราก็รู้เป็นทุกข์เราก็รู้เฉยๆเราก็รู้รู้ใจของตนเองอยู่ในใจของตัวเองเห็นใจของตัวเองอยู่ตลอดในการสวยนั้นๆอันนี้ว่าจิตตาธรรมานุปัฏฐานสติปัฏฐานเพราะนั้นถ้าว่าพวกท่านอยู่ในสติปัฏฐานใดสติปัฏฐานหนึ่งในสสติปัฏฐานนั้นเรารับรองอย่างมากไม่เกินเจดปี อย่างมากไม่เกินเจ็ดเดือนอ่าเร็วที่สุดเจ็ดวันจะได้สำเร็จถ้าพวกท่านอยู่ในสติปัฏฐานสี่ทีนี้พวกเราคิดดูสิว่าเราภาวนาเพียงนาทีหนึ่งใจของเราไม่รู้ออกไปรู้ที่ไหนไม่รู้กี่ครั้งตัวกี่หนทีนี้มั่นไปไม่ได้ที่จะอยู่ให้จิตใจอยู่ในสติปัฏฐานอยู่ทั้งเจ็ดวันเจ็ดคืน หรือเจ็ดปีเจ็ดเดือนหรือเจ็ดเจ็ดปีหรือว่าเจ็ดเดือนให้อยู่ในจติปฐานสีจะอยู่อย่างนั้นมันไม่ใช่ของในง่ายๆแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าว่าพวกท่านเห็นโทษจริงๆพวกท่านจะต้องอยู่ในจติปฐานสี่แต่เว้นไช้พวกท่านไว้โลกได้ยังมีความสุขสนุกสบายยังโดยในแง่มุมใดมีแต่ความสุขอยู่ มองโลกในแง่ความสุขอยู่เท่าเม็ดงาขาลิ้นพวกท่านก็ยังยติดอยู่ในโลกหลวงปูล่ลาภาษาหลวงปูล่ลาถ้าหัวใจของเรายังติดอยู่ในโลกมีความสุขอยู่เท่าเม็ดงาขาลิ้นเราก็ยังไปหนีจากโลกไม่ได้เราจะต้องติดอยู่ในโลกเพราะยังมีติดอยู่ในความสุขนั้นนิดหนึ่งนี่แหละอันนี้พวกเราคิดดูซิว่ามันไม่ใช่ เม็ดงาขาลิ้นแหละใจของเรามันคล้ายๆว่าตัวช่างเลยล่ะความติดติดสุขของเราติดในโลกของเราเอากินเข้าไปนอนอิม่มกินเข้าไปอาหารอร ե ตอร่อยก็ติดในอาหารนอนรับสบายก็ติดในการเป็นอยู่การนอนการนั่งสบายก็ติดในการนั่งการพูดคุยกันก็ติดในการพูดการคุยเออวิทยุโทรทัศน์อะไรขอมามิตาเรื่อง ยาเสพติดทางนั้นน่ที่เราจะทรงจิตส่งใจออกไปข้างนอกเพราะนั้นเราจะให้อยู่ในจติปัฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมมันไม่ใช่ของธรรมดาแต่ถ้าว่าเห็นโทษเห็นโทษคือเห็นอย่างไงพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเห็นโทษเนี่ยคล้ายๆกับว่าเราเห็นพยามัตรุราชคือความตายเนี่ยเหมือนกับพยามัตรุราชถือดาบอันคมกริบ แล้วก็บังคับให้นักโทษคือเรานะี่คือนักโทษให้ถือขันน้ํามันงาขันเต็มด้วยน้ํามันงาเขาใส่น้ํามันงาใส่ให้เต็มแล้วก็ให้นักโทษคนนั้นประคองให้เดินไปเอาวเดินไปหนึ่งกิโลทั้งที่ถนนหนทางครุกคลัดอย่าให้น้ํามันงาหกนะ้าน้ํามันงาหกเมื่อไหร่เมื่อนั้นคอของคุณจะกระเด็น ในขณะนั้นเทนี้นักโทษคนนั้นก็จะทำยังไงประคองชีวิตของตนเองจะไม่ให้น้ำ ม, นำมันงานออกระเพิ่มเรือว่าหกหรือแม้แต่หยดเดียวเพราะว่าพยามัจจุราชถือดาบเดินตามหลังอยู่นี่แหละถ้าหากว่าเรากลัวความตายแล้วว่ากลัวความทุกข์กลัวมัจจุราชเหมือนกับเรากลัว นี่หเมือ่อเราถือน้ำมันงาประคองขันน้ำมันงาแล้วก็มองสัมเหลือมองถูกพระยามัจจุราชทหารเดินตามหลังอยู่เพชรฆาตเดินตามหลังอยู่เราจะระวังขนาดไหนนี่แหละถ้าระวังได้ขนาดนั้นละคือสติปัฏฐานสี่จะอยู่ในจะอยู่กับตัวเองจะไม่เคลื่อนคลาดไปทางอื่น ถ้าใครก็ตามถ้าเห็นพญามัจจุราชคือความตายแครัวเหมือนกับเรากลัวเพชฌฆาตเนี่ยที่ถือดาบตามหลังนั่นแหละเราจะอยู่ในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมอันใดอันหนึ่งได้ทีเดียวอันนี้คือพระพยยุทธเจ้าท่านตรัสเตือนพวกเราท่า น, ท, านทั้งหลายเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นแนวความคิดหรือว่าเป็นแนวทางสาหรับพวกเราจะต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้ ในทมคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ใช่ว่าได้เป็นง่ายๆนึกในใจและก็ออกปากจากนั้นก็ได้รับพยากรในเพื่อรับพยากรไปว่าแน่นอนในเมื่อออกมากับบำเพ็ญไปเรื่อยๆบำเพ็ญก็ไม่ใช่ว่าจะได้สวยความสุขตลอดมาไม่ใช่ตกนรกไม่ทั่วกี่ครั้งตกกี่หนแต่ว่าการตกนรกอย่างที่ท่านได้กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกตกไม่นาน ขึ้นสวรรค์ไม่นาน เ, เพราะว่าเสียเวลาในการมาบำเพ็ญนี่แหละอันนี้มาพูดถึงเกี่ยวกับภาษาวกก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดก็ได้บำเพ็ญทานศีลภาวนาแต่ก็ไม่เหมือนพระพุทธเจ้าแต่เมื่อพระพุทธเจ้าก็ไดยพยากรณ์ีกว่าผู้ใดก็ตามอยู่ในสติปฐานสี่ไม่เกินเจปีไม่เกินเจวันไม่เกินเจดเดือนไม่เกินเจวันก็อย่างที่ หลวงพ่อได้เปรียบเทียบให้ฟังเหมือนกับเพชรชักาดบอกกับนักโทษที่ถือน้ํามันขันน้ํามันงาประคับประคองถึงขนาดนั้นถ้าพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้ยินที่หลวงพ่อพูดเนี่ยถ้าเรากลัวความตายถึงขนาดนั้นะหลวงพ่อเอง ก, ก็คงจะมั่นใจเหมือนกันนะพวกเราเนี่ยคงจะสมาธิของเรากคงจะดีขึ้น การบำเพ็ญคุณงามความดีก็คงจะดีขึ้นดีขึ้นทุกอย่างจิตใจของเรางคงจะก้าวหน้าเพราะเราเห็นมัจตุราชเหมือนกับพญาเพชรเหมือนกับเพชรชัาตถือดาบเดินตามหลังของเราอยู่ตลอดไปล่ำเวลาถ้านึกดูแล้วกัท่านมันก่อนเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าความตายไม่ได้เลือกสถานการสถานที่ไม่ได้เลือกแบบผู้น้อยผู้เยาวผู้เท่าผู้แก่ชีวิตของเรา ไม่ได้เลือกว่าเวลานั้นเวลานี้ถึงข่าวนั้นข่าวนี่จะร่มหายตายจากไม่ใช่กับเหมือนกับพญามัจจุราชพญาเหมือนกับเพชรชาสเดินตามหลังเราอยู่ตลอดเวลาบางทีนอนหลับตายในนอนหลับก็มีทานอาหารตายก็มีนั่งเครื่องบินตกเครื่องบินตายก็มีตกรถตกเรือตายก็มีนั่งคุยกนันในที่หัวใจวายตายก็มีไม่รู้กี่ครั้งตกกี่หนครับ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 ยดถาบรรดาศักด์เงินคำทรัพย์สมบัติพี่น้องลูกหลานสามีภรรยาทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นของตัวเองก็หลงไปอีกแต่ถ้าเราระลึกถึงมรณะภัยคือความตายจุดนี้ไม่รู้ว่าวันไหนชีวิตของเราจะต้องออกจากโลกกระเด็นออกไปนี่แหละสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกเราทบทวนไตรตรองด้วยเหตุและผล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 สิ่งไหนที่จะเป็นคุณงามความดีเราก็จะสะสมสั่งสมคุณงามความดีเข้ามาสู่จิตใจของพวกเรามีการให้ทานรักษาศีลภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภาวนาเนี่ยสำคัญอย่างมากถ้าเราภาวนาจิตใจอยู่ในตัวเองให้สติอยู่กับกายกายานุปัสนาสติปัฏฐานเระยว่าพิจารณาสติอยู่ในกาย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 แต่ว่าเราไม่มีสติอยู่ในกายแล้วเราจะหลงหลงเรื่องต่างๆได้ง่ายนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเอาไว้ให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านก็ให้ภาวนาให้ภาวนาแตงพระพุทธเจ้าท่านภาวนาเหมือนกันท่านกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออก รู้ว่าหายใจออกที่โคลนต้นโพแต่หลวงปู่มั่นสายคูบ า, าจา์ของเราที่หยุดยุกจุดท้ายภายหลังท่านบอกว่าหายใจเข้าควรบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโธให้ยึดพุทธโธนะตาวัดกำหนดเฉยๆทำให้หลุดได้ง่ายแต่ต้องใช้สำทับคำบริกรรมเข้าไปด้วยนะอันนี้ก็คือหลวงตามหาบัวก็ยอมรับอีกเึง ท่านว่าแต่ก่อนหน้านี้เมื่อเราเรียนหนังสือจบในมหาปริญญาจากนั้นเราก็ภาวนากําหนดกําหนดใจเฉยๆพอกําหนดใจเฉยๆมันเสื่อมมันเสื่อมได้พอจากนั้นก็เสื่อมพอกําหนดไปแล้วก็หายไปหายไปแล้วก็ขึ้นมาอีกแล้วก็หายไปโอ้มันทําไมเสื่อมต่อหน้าต่อตาอย่างนี้เราจะบริกรรมบัดนี้ต่อไปเราจะบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโถ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 อยู่ในกรรมฐานพอวันที่สองก็นักพอวันที่สามที่สี่รู้สึกว่าใจอยู่กับตัวเองเลยเบาผลที่สุดก็เลยพอกาหนดได้จริงๆวันที่ห้าที่หมั่นเชื่อมั่นในตัวเองโอ้ใจของเราไม่เสื่อมอรับรองตัวเองเลยจากนี้ไปใจของเราจะไม่เสื่อมอะจะไม่หลุดไปที่ไหนอยู่กับตัวเองตลอด นี่แหละอันนี้ก็คือแนวทางที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ลูกปู่ลุงตาที่ท่านสอนเอาไว้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายคำว่าจิตตภาวนาคำนี้ไม่ใช่ว่าอยากจะ ท, าะทําก็ทําอยากจะนึกก็คิดอยากจะคิดก็คิดบางครั้งเราต้องบังคับใหม่ๆเราต้องบังคับบังคับตัวเองให้อยู่กับกรรมฐานบังคับใช้บับงคับเพราะฉะนั้นเมื่อบังคับแล้วเราจะเห็นผลในเมื่อเห็นผลแล้วจ้นี้ มันขยันเองไม่ต้องบังคับมันไปเองพราะเรารู้คุณค่าแล้วนะอันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะรนดับแรกเนะี่ยเราจะต้องบังคับในการนั่งถึงจะเจ็บปวดขนาดไห น, นก็นั่งบังคับมันจะเอาขนาดไหนเวลาจวนจะตายมันยิ่งกว่านี้ใจจะขาดมันจะขนาดไหนทนทุกทรมานขนาดไหนอันนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นนั่งกาหนดดูดูใจดูกายดูกายดูใจดูใจดูกาย กำหนดเข้าไปจากนั้นก็เมื่อจิตสงบรวมเมื่อจิตสงบรวมลงเป็นหนึ่งแล้วเท่นี่นั่นแหละเมื่อถอนขึ้นมาเราก็รู้ได้แลวเออความสุขอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสจริงๆนัติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราเร่ริมรถแล้วทดลองได้ริมรถรมพระทำคําสอนเรื่องสมาธิแล้วข่าวนี้ จากนั้นบางคนก็ติดในสมาธิอีกอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกกล่าวท่านบอกว่าให้บังคับนะอย่าไปติดในสมาธิทำให้เสียเวลาในการทำสมาธิเข้าไปอยู่สมาธิแล้วก็ติดสมาธิเหมือนกับเราติดในเป็นการเป็นสุขกินนอนแล้วก็เข้าห้องแอร์แล้วก็พักผ่อนอย่างนั้นะ่ะให้ออกนะออกทำงานนะให้ออกคิดนะให้ค้นนะคิดนะ ออกมาพิจารณานะคนคิดอะไรคนคิดถึงร่างกายอย่างที่พวกเราได้สวดอย่างโคเมีกายอยู่กายของเรานี่แหละให้ค้นคิดตามที่เราได้บอกไปพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยอะในกระดูกเรื่อเราจะพิจารณาร่างกายของเราให้เห็นแต่กระดูกทั้งหมดทั้งร่างมันเป็นกระดูกทั้งหมดใช่ไหมร่างกายของเราคือเราไม่ได้คิดแบบลมๆแรงๆนะ เราเอาความจริงมาพูดเอาความจริงมาคิดถ้าว่าเราถลกเนื้อหนังออกไปแล้วก็ดูขของเราก็มีจริงๆอยู่ข้างในเนี่ยออาการ32สองอยู่ข้างในตับปอดหัวใจไตลำไส้มีอยู่ในท้องของเราจริงๆเออแน่นเอียดอยู่ในในท้องของเราเราไม่ได้คิดแบบเพ้อเพฝันฝันแต่เรามีมีแต่เพียงไม่อยากจะคิดทนเอง ไม่อยากจะรู้เท่านั้ทั้งที่มันรู้มันมีอยู่ใ น, ในตัวของเราแต่เราไม่อยากจะคิดเราจะไม่อยากจะรู้เยอันนี่แหละคือตัวกิเลสมันกันเอาไว้สำหรับไม่ให้ไม่ให้เราอยากจะคิดแต่ไม่อยากจะให้เราคิดแต่ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าให้คิดตามความเป็นจริงร่างกายของเรามีอะไรมันไม่ใช่ของจิรังถาวร น, นะอีกสักวันหนึ่งนะจะต้องแตกสลายลงไปสู่ดินน้ำลมไปตายแน่ ลงสู่ดินน้ำลมไฟตา ย, ยแจจิตใจของเราเนี่ยออกจากร่างแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นแต่ทาคาสอนของพระพุทธเจ้าว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นหินรับปัญญาทําให้ปัญญาของเราคมขึ้นมาได้เพราะการพิจารณากายจากนั้นเมื่อพิจารณากายแล้วดูดูที่กายเห็นกายจากนั้นก็เห็นใจก็เห็นใจแล้วเห็นกายปล่อยวางที่ไหนปล่อยวางที่ใจ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 นะเมื่อไม่ประมาทล้วก็ต้องรู้จักวิธีว่าจะเอาจะเดินยังไงจะทำยังไงจึงจะหาทางคนตัวเองจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเดินตามมรรคมรยมรรคของพระพุทธเจ้าอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเรื่องการวิธีกำหนดลมหายใจและวิกีการพิจารณาหลวงพ่อก็ได้พูดให้แก่พวกเราท่านหลาหลายได้ฟังได้ศึกษาม า, มากต่อมากแต่วันนี้หลวงพ่อมีแต่แนวความคิดให้แก่พวกเรา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 ให้กันกลองไตรตองดำเนินชีวิตของเราไปในทางที่ถูกต้องอย่างไรนะการพูดการกล่าวสมุทธนิยกาถาวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาข อ, อยุติเอาต่อในไปนั่งสมาธินาะทถินีนะ